ศาสนามีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็นศาสนาโบกผู้ปฏิบัติศาสนาโบกเของในที่ใดที่นั่นก็ร้อนศาสนาไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็น ข, นขนนณะขณะใดมีศาสนามันก็ติดมีปัรดาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็น ในขณะที่ปราบปรามกับตนผู้ร้ายภายในใจิตใจซึ่เราเริ่มปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะสวนมากมีแต่แพ้ห น, นึ่งแต่ก็ยังดีเรายันกําลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้ไปหนงแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีขอที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจ เป็นขั้นขัความยุ่งยากความลำบากในการปฏิบัติแต่เพราะอย่างยิ่งกคือเบื้องต้นยากไปอีกแบบหน่อคือยากไม่เห็นต้นเห็นกลายไม่เห็นเหตุเห็นผลนหรู้เรื่องรู้ราอะไรแต่ละจักตำหนักตําหรือูบาอาจารท่านสอนพอหูปลาปลาพอเอามาปฏิบัติตอนนี้แหละยาก ความที่อยากรู้อยากเห็นก่อนมีกําลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้มีก็ะเดือดร้อนอันหนึ่งไม่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจพุ่นอ่างความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้มสั่งจะสมาดึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามความเดือดร้อนเสียใจมันคืนละนั่งน้ําตาร่วงอยู่ก็มีมันทํานี้ตัวเองนี่แหละว่าอํานาจาวาสนาน้อย ม า, มาบวชแล้วขนาดศาสนาท่านบอกว่ามานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้ า, มาไม่ได้ยิ่งนั่งซมอยู่กับกองทุกข์ไม่คิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งแต่ผลรายได้โดยไม่คํานึงถึงงานที่ทําว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกําลังเมื่อไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราคํานึงถึงการปฏิบัติของเรา ในงานของเราที่ทําว่าถู้ยึดบ้างมันก็พอจะได้มาทุกข์ฝตรงนี้แนละ้วหายความยึดมั่นถู้มั่นในความอยากนะั่นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางอันนี้ภาวนาไปกําหนดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นพัะผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งคาดเอาไว้นั่นเองนิสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นพุทธมรรคจะเป็นอย่างนี้นิพนานพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเดาวไปแต่ความอยากมันก็ดุรแรงหยากรู้อยากผล จากพ้นทุกข์จากการปฏิบัติมันไม่ก้าวมันจะอยากเลยยืนอยากสจยืนอากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาแบมันไม่ทํางานกับภาวนามีแต่ความยากเล่นจนคลมอยูงนี้เดี๋ความยากลืมงานที่ทํามันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไม่เป็นไปตามจิดที่หมายแล้วจะถึงจุดที่หมายได้ยังไงมีเคยเป็นมาแล้ว ลำบากตอนนี้ทาา้าพุทธโธพุทธโธเนี่ยพุทธโธด้ว ค, ความอยากมันไปแทะขมามันจะอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นนี้จิตมันเลยเพลินแต่กับความอยากแล้มันลืมงานแต่ของที น, นี้ผลสุดท่ายมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความเหือยร้อนเสียใจ เป็นอีูเสมอภายในใจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับปิดที่มันเสื่อมไม่ปิดเสื่อมร้อนมากจริเพราเคยเห็นเหตุผลผลในรับความสะดวกสบายสงบเครื่อเงเย็นภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานดักชัดเป็นแต่แล้วมาสวมไปเชื่อปิดนี้ร้อนมากจริงๆร้อนจนจะมีที่รักที่ยังดีอยู่อยหนึ่งรยอดร้อนมันก็ไม่ถอย นี่จะเอาให้ได้ทานเดียวข้าว่าจิตถอยหรื อ, อ่อนกําลังมาเสียหรือทอดอะไรเสียอนนี้มันก็หมดท่าหมดหลังเลยแห่งนี้ยังดีที่จิตมันไม่ถอยนี่จะจะเอาให้ได้อย่างนี้นอันนี้ก็จิตมันเสื่อมลงไปแล้วมันกลับตัวไม่ได้ขอแค่ความอยากนั่นเนีลยไม่ใช่อะไรนะความความอยากให้มันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่ หน้าที่งานการงานที่ทำมันไม่สำคัญเกี่ยกับเรื่องการมีใจความอยากยาอะไรมันก็ไม่ไผลเพราะมันผิดกับหลักของเหตุเหตุไม่ทําให้สมบูรณ์เท่าที่จะควรรู้ได้ตามผลที่เคยรู้มันก็รู้ไม่ได้นั่งอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนขึ้นบนปะขึ้นบนภูเขาก็ไปร้อนอยู่บนภูเขา ในขนาดพิจิตรเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะใหา้ทรางตัวเงเลยความร้อ น, นการบวชใศาสนานี่มีทั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้ดเสียชจพิจิตรเสื่อมลงไปทไําไงก็ไม่ได้เสืมลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักาตารางตากุว่าเหมือน้นเคยทอนลาเลย น, นี่แต่ความเสียใจนั่งเสียร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความอยากนะนะความเสียใจสมบัติของตนที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกำลังดุริแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงทุกข์กระทุกอย่างนั้นนะไม่ไม่รู้ทางออก อยากก็อยากนั่นแ่ะไม่รู้วิธีการที่จะทําให้มันกลับมาได้อ น, นี้เป็ความอยากความอะไราอาวรณ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปลกลาดอาจารย์ภายในจิตใจจะได้หายไปเสียมีแต่ความเสียใจเต็มหัวใจอันนี้ความอยากทีเคยมันา็ไม่สามารถที่จะยัง ท, ทําที่หายไปนั้นคืนมาได้จนกระทั่งมันหมด อะไรตายอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องทอดทุระเองทอดทุระลงในหน้าที่อันเดียนเนี้เรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกข์กับทุกแสนทุ ก, กความอยากก็ไม่เห็นได้อะไรที่นี่ไหม่เอาไม้แล้ต่อนน้มันเชื่อมัหมดไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราจะพูดโทรทันนี้อยู่ในที่ใดๆก็ตามก็ไม่ยอมให้เถื่อนเอามันจะไม่รู้จริงๆหรอ เป็นไงเขาเป็นพอทอดคุณละเน้วความความหยามันก็ไม่รุนแรงที่มีความพุ่นั้นค่อยเบาลงไปไตั้งหน้า ท, าทยยํางานถูกไหมกพุทโธงั้นอ่ะคือนิสัยนี่เป็นนิสยัยอย่างนั้นมาดั้งเดิมเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมคือเป็นนิสัยจริงจังเดินปัดกวา ด, ดก็ไม่ยอมให้เผลอพยายามอยู่นั่นอ่ะปัดกวด า, าดลันมาลันมาปันนี้พยายามระมัดระวังถึงเผลอไปชั่วขนะ มันก็ทันเลยมันก็รีบเอากลับมาได้มีถูกต้องนะพี่พอทอดทุลากแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยทั้งที่อยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมรู้ภาวนาพุโทโธนี้อย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็พุดแล้วแต่พุโทโธจะโดยมันดารให้เนะพี่เแต่อทั้นนทงจิตมันลง มือมันลงแล้วพุโทโธว่าจําเป็นต่อยสักทีนะทีนี้มันลงแล้วเองสะ่านนั้นไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็ําว่าพุโทโธนั่นมันก็ไม่จําเป็นเรือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้่นะพอถอนออกมาก็เอาพุโธอดัดเข้าไปไม่หวังจะเกิดอะไรก็ไม่หวังผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นเป็นโทษในความหวังแล้วจริ คำหลังแบบเปล่าๆแบบมันมีเห็ุมีผลแบบไม่ทํางานเอาที่นี่จะทำแต่งานทำแต่งานถึงเมื่อได้รับการบํารุงการรักษาโดยถูกต้องนันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเขา่าคุณแปลกละคุณเอาถึงระดับเขาก็ทอดอะไรก็อย่างนั้นอีกเช่นกันอ่า จะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยท้านทานพอแล้วมันไม่เห็นได้เกิดประโยชน์เสื่อมไปแล้ก็เสื่อมไปเถอแต่พุโทโธจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมน่งแน่วแน่มันไปโดยลำหนักแน่นห น, นามันคงขึ้นโดยลำหนักนัน่งที่ไหนก็สว่างเบาจุดเบอใจโล่งไปหมดะทีนี้ไม่เสื่อม ผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนก็แล้วถึงไม่เสื่อมไปก่อนเพ่องสองัางวันต็เก้าถึงนั้นสองาวันนั้นลงห้วงเลยหมดพยายามบำรุงถึงตั้งสิบสี่หรือห้าวันกว่าจะถึงที่นั้นพอถึงพอเข้าไปถึงแล้วอยู่ได้เพียงวันสองวันนั้นลดลงอย่างสุด ป, ปรั บ, ปปรบหมดหมดเหลือแต่ความเสียใจแต้มหมาใจท่านี้ปล่อยจะเสือเสอเส่อมไหมก็เสื่มไปเถอะ เคยหลังแล้ไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุโทโธตอนนี้ที่คือถึงเรืองความทุกข์มากจริงๆแต่เดชะอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยมันจะจะเอาท่าเดียวเนี่ยพอพน้นพอสู้กันได้นะถ้าวัาถอยเยออยู่ะ ด, ดีกว่านี้ก็เป็นรลหมดไปเลย่แหอ่นั้นมาก ลวยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปนคนทำบริกรรมพราไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นแ่ะความรู้นั่นแหละมันเป็นที่พึ่งถึงได้แล้วโดยไม่ต้องอาศัยคําบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนรู้เีงอ่าทีนี้ไม่บริกรรมก็ได้พอดเด่นตลอดเวลากําหนดตรงนั้นเลยไปไหนกำหนดอยูต่ตรงนั้นรู้ตรงนั้น เมือนกับเรากำหนดกับพูดโธอันเป็นฐานจิตได้เป็นอย่างนี้แน่ใจเจ้าของว่าหนึ่งฐานมั่นคงขึ้นโดยลํำดับจนกระทั่งมั่นคงกว่าที่ที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงก่อนนั้นสองการกําหนดความรู้นั้นเมื่อความรู้เด่นดวงแล้วกําหนดอ น, นั้นไม่ลนละกําหนดเช่นเดียวกับกําหนดภาวนาพุโทโธละเอียดลงไปละอียดลงไป มีเป็นฐานของจิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละถึงเล่นงใหญ่หนูตอนจะนั่งตระหล่ำรื้อหน่นจากนี้หละจริงรื่อนั่งกระหล่ำรื้อกำหนดไปลงไปกำหนดไปลงไปที่แรกมันก็ลงทอนเคยลงมันลงง่ายๆเพาว่ามีหลักมีฐานอันดีกําหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนา อันให่หลวงยังไม่เกิดมาพอนานก็สงบพอมันถอยขึ้นมาเนี่ยมันก็หลายชั่วโมงไปเวทนาใหญ่ขึ้นเล้ยขึ้นเง้ยอันนั้นล่มไปหมด <c oughs> ฐานดีๆนั้นล่มไปหมดเหลือแต่วความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่กิจใช้ไม่ร้อนข้าพกลร่างกายสั่นละหมดทั้งตัวนี่แหละตอนไ่เข้อสนุมบอนกันในเบื้องต้นเหตทุที่จะได้อุบายสมพันน้ามันขึ้นมา ตอนผู้คุยธนาคือคืนมันนั่นก็ยังไม่ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ตั้งสัจสัยฐานใดเลยนั่งธรรมดาธรรมดาแต่เวลาทุกคุยธนามันเกิดขึน้นมามากเอ้ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุหผลการเวบียธนอถึอวันนี้ได้ตั้งสัจจะในขณะนั้นเลยอ้าวถ้ามาถึงเวลานั้นไม่ดุกถึงเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่าเป็นมันใหม่อันนี้จะคุยธนาผุ้คเวธนาให้มันเห็นแจ้งเหชัด ท, ทางสตี ไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายก็เสียไม่รู้อ่ะคุดกันลงเลยทีนี้นี่ตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดเลยฝันว่าปัญญามันมีความแหลมคมเวลามันไม่ีทางมีทางไปจริงๆนั่มนหมุนติ้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดึคนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีเพื่อตัวเองได้จนได้แหละเนิดคนที่ต้องทุกเวทนาที่เห็นเวทนาเกิดขึ้น หมางๆนี่มันเป็นไฟไปหมดที่แรกมันก็ออกร้อนทําล้างมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยเลยวทนาใหญ่จริงๆมันงดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันนี่ที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นเครื่องสร้างกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออกไปมนะันพอๆกันในเวลาทุกครเวทนาพอๆกันเพ่วเพ่อไปหมดทั้งร่างกายที่พอๆกันหมด ไม่ทราบจะยับยังที่ตรงไหนที่ไหนก็มีแต่กองไฟคือความทุกข์ที่ก็ขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มันมากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นแหละจักตุดนั้นไว้เลยแยกทุกขเวทนาออกท่าผม ห, หชัดเจนว่าเวทนานี่เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข ถามสกุลอาการส่วนต่างๆอาการต่างๆต่างอันก็ต่างหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นมีมาตั้งแต่วันเกิดให้ปรากฏว่ามันเป็นทุกมาตั้งแต่วันเกิดติดต่อกันมาเหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี้่คนหมดลงไปอวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นฝ่ายรูปนั่นก็จริงใครจกินอะไรนะการคุกคเวทนาเวลานี้มันเกิดอยู่ตรงไหนถ้าว่าจินอันี้เป็นเวทนาทั้งหมดทําไมมันมีจุดเดียวที่มันหนักมาก เงนแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่นานนะมันวิ่งทุกตลัดหมุนเจียวเจียวคือข้อนึอองสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายแล้วดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายเลยถึงทุ ก, ทกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยยังไงจิตก็ไม่เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนะระห่มระสายอลไรนะแต่ความทุกข์ในร่างกายนี่ชัดว่าทุกข์มาก มันจะเป็นธรรมดาของจิตเรศนีอ่มันต้องเข้ากรสารกันแต่แม้เช น, นั้นจิตถ้าเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนปูดค้นกันงลงไปจนกระทั่งเห็นตายก็ชัดเรทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายเป็นสำคัญเรศนาว่าเป็นนั่นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี้นี่ลักสรุปไปนลยนีน่แต่มันเล่นกันนี่ต้องไม่ทราบี่ชั่วโมงนะสะลุบอน มันทัดเขาจริงๆแล้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือสักแต่ว่ากายกินของมันอยู่ที่นัน้นเวทนาศักดิ์เวทนามันหายวูบเข้าภายในจิตนะไมไ่ไปที่อื่นพอหายวูบไปนจิตนี้นว่างหมดจิวเวทนาดับหมดพอกจากนั้นแล้วกายหายหมด มันเป็นตามความจริงคือเ ร, เรารู้ตามความจริงฉันรู้อย่างนั้นนี่ยังเหลืออันเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นคือละเอียดจนขนาดที่ว่าจะว่าเหมือนอะไรมันพูดไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายในร่างกายหายหมดเวทนาหายหมดเวทนาทางกายไม่มีเหลือเลยร่างกายของเราที่นั่งเภาหนาหายหมดหายจากความรู้สึก หรือจะทำสักจะวรู้จะว่าคิดแบบปรุงกันอย่างนั้นปรุงไปนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยพราไม่ปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยื่อะไรทั้งนั้นแน่วความคิดแน่วอยู่โดยลําพังตนเองคือจิตล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชชานะคืออวิชชาเหมือนกันแน่นอนั้นแหะเพราะจิตยังไม่ถอนต่ออวิชชาเพรามันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชชาซึ่งไม่ออกไปทํางานกุญแจสงบเท่านั้น เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดพลังเวชนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือศักจะว่าปรากฏเท่านั้นแล้วพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้สักจะว่าปรากฏสิ่งที่ศักจะ ว, ว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขนะนั้นก็ดีกว่านั่นแน่ ไม่ขยับเขลื่อนภายใจิตใจไม่กระเพื่อมอะไรทั้งหมดแน่วนะจงกระทั่งพอเกิดการแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมามันก็เพื่มยัดถ้าหายเไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราไปหมายไม่ได้ถ้าไปหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดิบพอดีมันเองกระเพื่มยัดนี่มันก็รู้พอกระเพื่อมยัดมันก็ดับไปพร้อม แเดี๋ยวกระเพื่อมขึ้นอีกยับจิตหายไปพร้อมแล้วค่อยถีเข้าถีเข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่ได้ถอนทีเดียวมันมันเขามันมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่อมคือทั้งขามันปรุงยับขึ้นมาอืึหายเนี่ยยังไม่ได้ความหมายอะไรเลยกระเพื่อมยับระดับพร้อมครัแค่เดียว ยับทำ้วก็ค่อยๆขีเขา้าพราะขีเขา้าถึงมาล้สุดท้ายรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเงี้ยเวลาติตถอนขึ้นมาแล้วเวท น, นาก็ยังไม่มีหายเงี้ยนี่ได้หลักที่แน่ใจเกิดความเข้าใจกันได้หลักในการต่อสู้ทุกเวท น, นาเนี่ได้หลักเบื้องตน้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกอย่างเป็นอันหนึ่งต่างหนึ่แท้ ตายเป็นหนึ่งต่างหาทุกเป็นหนึ่งตหากจิตเป็นหนึ่งต่าหาแต่เพราะความรุ่งหลงเราจรึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าพันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งทั้งดวงถ้าจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟแบบนี้มันเกิดจากธรรมชาติมันมาตามแต่เมื่อามาเผาตัเองแล้วมันก็ร้อ น, นเพราะความต้องกา น, นี้เองใครรู้ งานพอสมควรนะทุกเวทนาเกิดขึ้นอีกเกิด ข, นข้นอีกเอาอีคอนลงไปอีกอย่างที่เคยคน้นแต่เราจะไปเอาอุบายที่เราเคยพิจารณาแก้ไขในระยะ ก, ก่อนนั้นมาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสติปัญญาคิดขึ้นมาใหม่คิดขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นซึ่งเป็นเวทนาเหมือนกันแต่อุบายวิธีก็ต้องเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งให้เหมาะสมกันในขณะนั้นเช่นเดียวกันเราจะไปยึดเอา เอาอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาลูกครั้งนั้นมาแก้ทางนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายก็สดร้อนๆเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะในคืนแ้กนั้นลงได้ถึงสามผมอย่างเอาไปอย่างตะลุมบอลอ่ะถึงสามผมพอดีสว่างโอ้เกิดความอาดความหาันลื่นเริ ง, รงไม่ัวาตายจริงทุกคนจะมีมากนี้นอ้อยเท่าไหร่ก็ทุก ก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบบไปหามันเยอะเท่านั้นทุกก็ไม่ีมีความหมายอะไรงานสิ่งมันรู้ใั่กายมันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันก็มีความหมายในตัวของเราดีนอกจากนี้เราให้ความหมายมันแล้วก็พอเอาทุกข์มาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรมันชัดเลยอ๋อพอตุ่มท่งมานี้ใหม่มันข้าวหารอยากจะ่า่าวเพียนพระอาจารย์ใหม่ ไมเกิดความห้าความหานอะไรพูดไม่ถูกเพราะอาจารย์เราไม่เคเห็นอาจารย์แบบนั้นตั้งรรแต่เราปฏิบัติมามราทั้งมือเคยเป็นเลยมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมุ่งอา่ามหัน ร, รวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบกลัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอ่านหาันมาเราได้พิจารณาอย่างนั้นนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นนั้นมาแล้วะมันรู้ครับถึงจะเป็นขึ้นข่าวหน้าข่าวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าพุธทุกข์ก็ทุก ข, ข์กขหน้าเก่า กายเขาการอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยท่าอยู่านี้ไม่เคีรตายจน ถ, ถึงเกิดความอะไรถ้าเป็นโลกเขาบอกท้าทายกันเอาเธอพูดง่งยๆเป็นอย่างนั้นถ้าแต่ทำมันไม่เป็นอย่างนั้นมีเราเทียบเกียวเทียบถึงถาตายก็เอาเธอมางั้นจเจ้าทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์นี้มีอยู่ในขันนั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันแล้วในขันจะออกมากน้อยหนัก บบาขนาดไหนก็ไม่เหนือจากความรู้ความสามารถไม่เหนือจากสติปัญญาไปได้สติปัญญาเป็นผู้สามารถจะตามรู้ได้หมดนะดังที่เคยรู้มาแล้วดังที่เคยข อ, อดอนกันมาแล้วมันเกิดความกล้าหาญเวลาตายก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสติปัญญาได้รอบตัวอยู่ทั้งนี้ถ้าต่อไปก็เอาอีกก็เหมือนนั่นเหมือนนั่นอยู่ื้วยชนะทุกที ลงเล็ดทุ่งลงขนานั้นแล้วไม่มีวันไหนที่เราว่าวันนี้นั่งตลอดลมุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลยมีแต่วความบอกช้ำภายในใจิตายหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างเด่นทุกคืนจงกระทั่งกับเรื่องความตายนี่มันไม่กลัวครจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแกะลงไปกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตาย ผลมผลในพันธ์นั่งเงื่อยก็ดูนี่เป็นส่วนธาตุดินธาตุดินมันเคยตายเมื่อพระลาลัมแล้วเป็นย ง, งนกําหนดตามก็แนวลงไปสู่ธาตุเดิมขึ้นมาธาตาน้ําก่อนแนวลงไปสู่ธาตุน้ําตามเดินมธาตุลมธาดไปลงไปสู่ธาตุเดินของคนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรคิปหายที่จะเชื่มาธาตุเหล่านี้มาประชุมที่มาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอา ศ, าศัยจิตข้าไปสนิทธิ์ตัวเจ้า มหาหลงนี่เขาไปสิงเขาฉันั้นเขาไปแบกอาหมดนั้นว่าเป็นตัวของตัวประจับจองนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราจรึงระกอบตัวทุกเนะเพื่อความสําคัญนั้นขึ้นมาเผาหลงตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นะตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษนะานธาตขันเขาไมไ่เป็นนักโทษเขาไมไ่เป็นตัวฆ่าสึกอะไรเจ้าเราเลยเขามีความคิงของเขาอย่างนั้นแตบบ่เราตปแบกไปห า, ยายงไสําคัญต่างหาความทุกข์จึงเป็นเราเป็นผู้ผิดขึ้นมาเองจริงวันนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะ ไม่มีอะไรมาให้ทุกข์จกเราเรารูเข้าใจเราเองเป็นความส้องการผิดต้นเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์ก็คือความต้องกาผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มาเผาลงจิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตนั้นก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุพิจ า, านณาลมทายลงถึงธาตุเดิมขอเป็นส่วนและจิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายตัวไหนตายอะไรตาย อาการันนั้นมันก็ไม่ตายถ้าสิีน้ำมลงไปก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายจนะไหนจิตยิๆๆๆ้มหูยิ้มเด่นยิ้มเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรเฮ้ยหลอกกันนะหลอกกันมาตั้งกับตั้งกันคำว่าหลอกนั่นห ม, มายถึงเด้เวยเจตนาหลอกพับความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมักลัวโรกกลัวตายกลัวเพราะเห็นนี้เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ชอบอะไรตาย มันไม่มีอะไรตายต่างอันต่างกินอยู่เพียงเท่านั้นหูทักตือจิตมันก็อาจหารเห็นความจรยัทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงๆทั้งๆที่ทุกเวรทุมากรมันเหมือนจะส่งเปลวไปถึงเมฆความทุกข์ความร้อนเป็นจพียงเมงายทางร่างกาย แต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติสัปัญญาอย่างราบมันอยู่ในเหลือเลยร่างกาก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยหล้วในความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่ในกลางอากาศแต่แ้วมนไปเทรียดเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินน้ำลมไฟมันไปไม่สมบัติสมพันธ์ คุณหมดความรู้สึกจากดินจากน้ำจากลมจา ก, าจากไฟจากร่างกายทุกส่วนแล้วแล้วแต่ความรู้โดยลาพังตัวเองด้วนล้วนเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้ที่อจจัศจริจากการที่นารอบรอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นชัดเป็นนะอัศจรห่าลงในจิตได้ถึงไปเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นอีูกี่วันกี่คืนก็ตามมันต้องมีความหมายทั้งหมดทุกกเวทนา ว่ารางกายจะแตกจะดับหีืจะเกิดปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ไม่มีในขณะจิตเช่นนั้นนี่มันก็ทําให้อย่างถึงเรื่องถ้าสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือรรา้าไปเจิบุตรเจ้าท่านเข้าท่านมีโรคาบักเจ็ดวันท่านนึกออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าตรงจิตไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเหลือจะความรุนรุนทึ่งศักแต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่จะไปเกี่ยวข้อง จนั่งหรือตั้งการตังการเขานั่งเธอะมันมีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างกายมันมันทนไม่ไหวมันจะแตกกาสลายไปเฉยๆเนี่ยโดยไม่ต้ต่องเกริ่นถึงธรรมชาตินั้นเลยนายจิตมันยอมรับเนีลยเชื่ออาศัยข้อนี้รวดธรรบัตรได้ธรรมบั ต, บตถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวออกมาฟู่อะไรอะไรแล้วเข้าไปมันเป็นอยู่นั่งกี่วันกี่เวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวลาเนย ร่างกายมันจะมีทุกที่ไหนเพมันไม่มีเลยร่างกายไม่มีในความรู้สึกเทวนาเขาอยูในความรู้สึกเห็นแต่ความรู้ล้นลวนอ๋อนั่งหรตั้งกับตั้งการก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้อนะีนะนี่ก็ทําให้เชื่อถึงเรื่อพระเจ้าคุริจ่าท่านข้อนี้ก็ชอบมาโดยเชื้อนี้เป็นหลักฐานยืนดั่แม้เราจะไม่ไนั่งในานางกตามแต่ขณะจิตที่มันสงบสตัวขนาด น, นั้น ทั่วยายะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสิ้นโาาลกสมบัติได้เป็นเวลานานๆเพราะเป็นลักษณะนี้ว่างนั้นนหละลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายสมมติว่าร่างกายเปื่อยทังไปหมดมันทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นปอิสรงผูกขาตามันก็เปื่อยไปเฉยโดยคีดว่าจิตอันนั้นไม่ไม่ได้รับทราบเลยนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นท่านที่ เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอรมสมาธิคือจิตนั้นแน่ลงไปถึงเต็มภูมิเต็มฐานของความสงบเท่า น, นั้นเพราะปัญญาค้นพว้อย่างเต็มเหตุเต็มผลนล้วรวมลงใบอันนี้รวมอย่างอังอุกาอาจทหารรวมอย่างละเอียดมากทีเดียวลาพังจิตที่เป็นไปด้วยกาลังสมาธิกําหนดแล้วลงไปเลยนี่มันไปแน่วอย่างนั้นเท่านั้นมันไม่ได้ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิต ที่สองอบลงด้วยอำนาจของปัญญานี้ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าเราในตะลุมบานขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สองอบและต้องสองอบเป็นที่จากที่เห็นเห็นนี้นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจหารนีอเป็นเชื้ออันสําคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตว่าอะไรจะสูญสิ้นไปนหมด เรื่องอะไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเป็นเห็นก็เห็นกันดั่งชัดเป็นในขณะที่ไม่มีอะไรเลยเนะี่ยความรู้สึก น, นั่นแหะมีสัจจะพรู้อันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะแต่ว่าขันสมาธิหรือขัน้นตัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตมันมเป็นเป็น อ, อย่างนั้นจากนั้นมาก็เรื่อยเรื่อยพิจารณาเลยออกทางนัางนี้เ่อยเรื ขยับขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ย่นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลําดับธรรมดาแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาย่นเข้ามาเข้าวงแทกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอาทิ้งคาดทิงขันแยกคาดแบ่งขันที่นี้มันจะมันจะไปสมุติเหตุประหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมาอันนั้นมันมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานยืนยันได้เท่านั้น เวลาที่เราพิจารณามันยังไมไ่เด็ดขาดให้เป็นสมมุติสิทธิ์ตระหานในเวลาพิจารณาทางด้านสัญญานีมันเข้าใจจะทันแล้วมันมขาดเถอนออกจากกันขาดออกจากกันข า, าขาดกาันจนลําดับขาดไม่มีท้นต่อขาดแต่โดยลำดับลำดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเนพียงรู้ก็ขาดแตจากความยึดมั่นโดยธนาสัญญาทั้งขาสัญญาขาดจากความยึดมั่นถือมันคือความยึดมั่นถืนถั่นถูขาดจากเขาก็ถทุถถถถเพื่นะ ขเรื่อเรื่อยเดือดแต่วความรู้รด้วยิตคำว่าวิชาที่ังจมอยู่าง น, นั้นค้นเข้าไปไตีให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันเท่าไหก็แล้วแตกพอ น, นั้นแตกไปแล้วมหมดความจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดห่ะรู้แล้วถเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็น เชื้อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำดับหน่อหรือว่าเป็นถ้าพูดถึงฝ่าดีก็ดีแต่ถ้าเราจะมุ่งถึงทำมันละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับปวิชาดนะไม่ใชดีแค่ไม่ใชดีที่บริสุทธิ์ดีจะไปมุ่กับชั่วกับทุกๆมันจะมีทางเกิดได้เลยการถึงต้องจันในัยเข้าไปอีกทีจนแหละเอียดทางนกิจอะไรที่เป็นเชื่อที่จะให้มีความแปลก แต่ควรอยู่ภายในจิตชำละเอาให้หมดแก้ให้หมดฟอกให้หมดจนไม่มีเหลือแล้วกหมดจุดหมดดวงถึงสมมุติโยมว่าอันนั้นอันนี้หมดแล้วจะ่ความรู้สึกบริสุทธิ์ต้นรวอนให้ถิ่ไม่มีสมมุติหมกโดยการทั้งปวงนั่นหมดแท้ าอาจจะใําม่ไหวใจเราให้เราพูดพูดไปทาไมล่แต่การกล่าวมาทางนี้มันยากหรือไม่ยากก็ขอพิจารณากันถึงขันจะจะสดจะไหลาบางครั้งมันเต็มไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่พิทาามันกล้าสหัสจริงๆเหมือนจะเต็มไฟทั้งร่างกายเลย แต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วจึงไม่จนเกาะถ้าเรานํามาใช้คนเราไม่ได้ง่อยู่สมอไปไม่ถึง้าจนเกาะแล้วต้องช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้จมอยู่เฉย ท, ทั้งที่สติปัญญาก็มีพอพอจะแก่นี่มีช่องทางพอที่จะเล่นลอดออกมาได้พอที่จะบุกเบือนไปได้ใครจะยอมตายจมอยูเฉยเป็นผู้เฉยต้องหาทางออกจนได้นึ่งหนงเมื่อทุกเวทนามันข้อเข้ามา และมีทางใดที่จะแกงทุกทเวรกรรมก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าอย้ผลจนมีช่องออกเปนได้นานปัญญา จ, จึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเม่เป็นนักพิสูจน์นักพิจานณาถึงค่าวจนกรอกก็มันรวมตัวกันมาเองช่วไปกันได้ขอบพระเจ้าท่านเพ่งสอนให้เราอยู่ในที่สําคัญสําคัญซึญ่งเป็นสถานที่จนกรอกนั่นเองคุณนุง่งผูเพื่อได้ สติปัญญาจะได้ทำงานให้เต็มไม่เต็มประคู่ต้องการสถานที่นี่นก็ช่วยผิด ป, ปัญญาเกิดได้ถ้าอยู่ในที่กลัวๆสติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจนาอะไรมันก็ค่องแคล่วแ้กล้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ย เลยนั่นเนธรรมดาขี้เกียจมากอืดอาดเหนื่อยนายอยู่สถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทอีกแล้วนอนเหมือนหมูอีกแล้วแอ่อยู่สถานที่กลัวนี่มันตื่นตัวตลอดเวลาสิเความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติสติปรากฏอยู่กับตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเพียรอยู่เสมอ อะไรจะมาสัมผัสสัมผันก็เข้าใจเข้าใจเพราะคําไม่นอนใจถานที่ต่างๆท่านจึงสอนให้เราอยู่มันเป็นเครื่องส่งเสริมเครืองสนับสนุนความภาพเพลยนเราได้ดีอยู่กุติสะดวกสบายดังที่อยู่อย่างนี้อโอ้อะไรครบพรอไปหมดหาหารการขับการทานกับล้นพ่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำสมน้ำหวานโ ก, โกโก้โกาแฟ อาหารวันเข้าหลังไหลมาตัดทิพ ต, ต่างๆถึงถ้าผู้ไม่มีสติปัญญาต้องนนน่น ก, น, นกอดอาหารนี่เถอะวางนะส่วนทำนั่นไม่มีหวังจะได้ครอง่ผมมีสติปัญญาต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาว่าฟิตตั ว, ต ว, ต ว, ตวระวังกลัวเสมอไม่นอนจใจนี่ก็ยังมีต้องท่าระวัง เขาไปอยู่ในที่ฉะนั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องหนุนนี้แล้วมัน fit ทั้งมันป อ, อีกแบบหนึ่งจะเอาอะไรมาหรือเปล่ออรรราอะไรจะมีแต่ขาดขาดนบุบกต้องทรองข้าวมินชานมาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่มีตัววิจารเพราะอดมากี่วันก็เคยอด่งจะไปกิป น, อ, น อ, าาอะไรแต่เพียงวันสองวันไม่กินอย่างนี้มันไม่ทใช่ไงไปหั่นเสียทั้งนั้นเป็นกังวลอาหารกับอะไรแบบนี้เหมือนกันมีแต่ข้าวเปลากัเยอะ แตไม่เห็นเป็นกังวลเขอเรามาหาอย่างนี้นี่มีเราก็กินไหมที่อะไรหากลับที่ไหนเข่าเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนมาตั้งวันตายแล้วไม่เห็นคนตายกินได้ข้าวาเป็นอะไรไปเรากินกลับก็บ ก, บกินมาพอแล้วนี่มีเศษมิโสอะไรมานี่ยฉันหาทําอันนี้เศษฉมาคอยยุ่งกับเรื่องการดูการกินมีอย่างเหรอฮะนักทำมาไมา่มใช่นักกินนะเนี่ยแก้มันไปได้ปั๊บปั๊บปั๊บันเขากม็มีกังวลผลดท้าย ม, มีกังวลนั่นผล จากการแก้ไขไเไลยการนั่งฉันําเรื่องแล้วเข้าทางคมหุ่หนื่อคนน่งนั่งทานานก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากจะไปง่วงเลยยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยบายเหี่ยอุบายท่านเพื่อสอนท้าท่านไปทำยุคโมเสนาพนังมาฮะทำอยู่นนป่าในเขาทำรับภายที่เกิดเก ล, ลือที่น้ากลัว อาหารรัพสปายะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ดังท่าขารให้กำเนิดเป็นโรคเป็นภัยนักยานติตให้กำเนิดเนะี่ยเรื่องของอาหารสัพสปายะอาหารที่สบายนี่เข้าออป่าพอนานีก็อาหารเป็นที่สบายเนักินมั่งมากนี่จะหารนี่จะกลับดีๆกินรังกันแล้วนอนเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแต่สบายของกิเลสนี่นั่นไม่สบายของอัดของถมสบายเรื่องของกิเลสเรื่องหมูต่าหากเนี่ย ธรรมหาสัพพายาต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการถันถันเล็น้อยมีเกิดประโยชน์ถันเลน้อยความงงน้อยมานั่งภาวนาที่ไหนแน่วไปเลยแน่วไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาต้งหมุนกิ้วไปเลยมันข้ามแค่ทำมัจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่กันดานในที่เจนกรอบจนมุมไม่เกิดในที่เหลือตัวไม่เกิดในที่ปมตื้อถ้าเกิด สฐานที่สะดวกสบายมันนอนใจเท่านั้นแหละมั น, นสอนนี่เป็นอย่างนั้นพระพุทเจ้าเคยอยู่หอประสานราชมณฑลมานานเท่าไหร่หเวลาเสด็จออกตรงขหนวดใครจะได้ทุกยิ่งของพระพุทธเจ้าพุกขะก็เกิดในที่เช่นนั้นอีกเหมือนกันสาวกมากจากสกุลต่างสกุลพระราชมหาเศรษฐีกรุงพีนั้นตั้งที่ความมั่งมีเวลาออกมาแล้วเป็นสาสยบุตรพุทธชนิด เพระพุท ธ, ทธเจ้าแล้วเอาเป็นยังไงเป็นตายก็ตยไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ไร ท, ทั้งสิ้นนอกจากทําอย่างเดียว น, นั้นนั่นท่านก็ไปรับความไปรับอรรถธรรมในที่กันดารอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแง่เราจะเอาอันไหม่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมาอย่างนั้นทำมาเกิดในที่เช่นนั้นในความขับขันลําบากลำบนเช่นนั้นทำมาเกิดกับกองทุกษ ถาวกองทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดทมก็ไม่เกิดถิ่นเนี่ยทุกข์นี้มาก็เป็นหินรับปัญญาค้นคว้ามันเห็นชัดเป็นในเรื่องของทุกข์สัวรอดไปได้เป็นยอดคนอัอลาลัตติวัง